อ ย, ปปย่างเพือประชาสัมพันธ์ให้ทรานคนที่สามถ้าใครพร้อมไปดูไปช่วยกันหว่างเจรจาเรื่องบนดย <c oughs> อยเมื่อสามสหกปีที่แล้วประชาสัมพันธ์ที่นั่นดูสภาพเมื่อสามสบกปีที่แล้วก็ปัจจุบัน เมื่อครลดล้ายไม่มีไฟฟ้าไฟเฟืฟฟ้เข้าวปลาอาหารสวรรค์ไม่มีไปไหนมันใช้ที่เดินเดียวระหว่างหมู่บ้านระหว่งางเมองในปัจจุบันมันลำสบายนาั่งรถไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วสลาหลังเก่าที่ไม่อยู่มันโกพัง สร้างสองรอบก็ปโป่งแล้วศาลาหลังที่จะสร้างเนี่ก็ชั้นเดียวอย่างเราเนี่ยเดี๋ยวจะไม่สร้างโบสอีกเอาศาลาเนี่ยโบสไปเลยไม่ต้องสร้างโบสถ์ฟังรูกนิดคก็เป็นโบกแล้วมันนากลงทุนก็จะน้อยจริงี่ับนบนดอยมันวัสดออุอุปกรณ์ คนส่งค่ามันเพิ่มอีกสามเท่าก่อนเดียวเราอยไปดูเผื่อว่ามีโอกาสวันว่างวันไหนเราจะขึ้นบึ้นดอยไปปฏิบัติสร้าง ส, รสรารสันปติปฏิพักอากาศดีวิวดีมากมองเห็นยอดโดยอินทนนท์ <c oughs> เอาดึงเอาลึงแก่ดึมอดีตนะหายไปเจ็ดวันเป็นไงบ้างหายไปถารก่อนเกิดอะไรขึ้นนหายแค่เจ็ดวันเองไปดูบ้านเมืองอื่นที่เขาเขาเจริญแล้ว สิงคโปร์ไปสิงคโปร์มาอาทิตย์จริงๆมันก็ม่แตกต่างกั น, นะนไหยเพอว่ามันแตกต่างกันเป็นปัจจัยสีนี่เลยความสำคัญของเราปัจจัยสี ซึ่งเป็น จ, จำเป็นสำหรับชีวิตที่ไหนเหมือนกันประเทศไหนเหมือนกันปัจจัยสี่ก็แรกวก็คืออาหารที่น่นหองอ่านาก็ดีแต่ว่ า, าเชี่ยวกับบ้านเราเทียวกันไม่ได้ที่น่นหูจำกัดขพงของก็ยังแพง แพงกับบารนรามากม่เรื่องธรรมดาอาหาเราคินเป็นเวลาคิดเป็นมือคินเป็นสถานที่บ้านเราไปอยากกินตอนไหนก็กินได้ทีหนึ่งอยากกินเป็นกินอยากกินก็กินไปอยา ก, กเต้นจะเต้นไปร้องเปลงก็เฮฮาบ้านเขาไม่เหนบ้านเลาเขาจำกัดแต่คนอยากสนเสียเขาจะจัดที่ให้ ไม่อเป็นเลย่ปงยบานเราอันนี้อาหารของคนชาวบ้านกินเมื่อหนึ่งก็สองสามเหรียญถึงห้าเหรียญจนได้อิมคนร้อยกว่าบาทอันนี้ตัวนูกก็พื้นพื้นยนะคนร้อยกว่าบาทมึงร้อยกว่าบาทมันดูบ้านเราใชอาหารบีนตาบาเนเซ น, น่าใา่นหม เต็นบาทล้นบาทการอยู่การกินวัดวาเขาก็เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เหมือนบ้านเรากินกินเป็นระเบียบพระสงฆ์เนียน่กน ย, ย, ย, ย, นยก็เป็นระเบียบเรียบร้อยงานเยอะก็เป็นระเบียบกคือเขาจะแตกเหมือนบ้านเราเนี่ยเขาจะเรียนเข้า ว, าวปลาอาหารบนถ้วยเป็นจานตามคนต้องตัดใส่จาน คนต่างกินกินเช่าก็า่มีอยู่ตางแค่ไหนก็กินแค่นั้นที่เหลือหลังจากนั้นมันก็มีใครกินแล้วก็ต่างก็เก็บกันไปแต่กินก่อนค่อยเก็บบ้านเราเก็บก่อนค่อยกินทางกันไหม เก็บก่อนยังไม่กินเลยเก็บก่อนพแบบออีกคนหนึ่งเก็บธรรมชาติของมนุษย์มึงเก็บกูเก็บภาษาไงางถ้ากูไม่เก็บเดี๋ยวกูก็ไม่ได้มันก็ได้กลายเปน็นมันเป็นระเบียบอันนี้ก็พูดกันมาจนปาเปลี่ยวปากแข็พูดจนหัวงอกเล ย, ย, ยก็อยากแกไม่ได้เพราะเป็นอย่างนี้เราไม่ไปดูไม่ไปเห็นที่อื่นเขา มีแค่อาหารเรื่องเดียวนะในปใจัจจัยสีเริ่มต้นแค่อาหารอันนี้ฝ่ายฝ่ายขารวัตยาจมตีาหาหลวงพ่อเอาพูทเด็การวัตยาจมนะูมันก็สององเลม น, นะพอๆกันนะสุนั่นจะตักใส่บาทนั่นจะเก็บสุดท้ายข้เพราะมันก็มีเ ท, ท่าเดิมนั่นแหละ กระเพาะมันได้ขยายกระเพาะมันได้เพิ่มอีกสี่สามสีก่กระเพาะแล้วมันก็กินได้เท่าเดิมอาหารเป็นถรงเป็นกระสอบถามว่าจะกินยังไงก็อยากเห็นอัน น, นก็อยากอันนี้ก็อร่อยอยากไปหมดอร่อยหมดพอกินได้มันก็แค่อิ่มที่เหลือก็เอาไปทิ้งเอาไปขวางกินได้ บ้านเมืองอื่นเขาหากินลำบากเราเนี่ยนะแค่อาหารวันนั้นเราสามารถที่ระหาจักดกันได้ก็รู้เขากินไม่ได้เยอะเลยข้าวก็น้อยข้าวก็น้อยที่กินนานก็เพอาะเครียนะกินจริงๆไม่ได้เยอะวันนั้นอันตัวอย่างวันนี้มาดูพิจุนีวันนี้นพิจุีมอยู่ว่าเรานานแล้วเราเคยสังเกตบ้างไหม <c oughs> บาทเขานิดเดียวเขาไม่ได้เก็บอย่างเรานะไปดูตู้เย็นที่ห้องเขาอยู่เขาไม่ได้สะสมอาหารนี่เขาไม่ใช่คนไทยนะเขาศึกษากิจวัตรข้อวัดอย่างดีเขากินเท่าที่กินได้กินได้ที่มีอยู่กินแล้วก็ปฏิบัต mm ิ hmm. เพราะฉะนั้นแต่เราเอ า, เอาอะไรให้เขานะี่เขาไม่เก็บ เขาจะาวาฟอที่กินได้ฟองที่ไม่เห็นมหมแต่ตาเหน้าที่เราเอาหนะึ่บาทเขาก็นี่เดียวเมันบาทเดียวเราก็ไปเผื่อกันสองสองสองลูกพิจิตีสอ ง, สอ ง, สสองบาทนิดเดียวแค่นั้นก็ไปเผื่อกันกินเพื่ออิ่มอิ่มแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้ก็เรากินเพื่ออยู่แต่เรา่อยู่เพื่อกินก็ไม่จัง บอกให้สักใส่หน้าแข้งไวเลยนะสักใสแขนไว้ก็ได้กินเพื่ออยู่ไม่ได้ อ, อยู่เพื่อกินดิ้วเอาไปสัต์อย่างอื่นอะไรก็ไม่รู้สักไปนกหนกบูกปลาค่ะคุดขึ้นอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อันนี้แค่กินอย่างเดียวนะขอที่เราไม่มีสติฝึกสติน้อยมันก็เป็นอย่างเนี้ทุกฝ่ายทําไมเธอฝึกน้อยเพราะว่ากินปลาเข้าไปในี่ข้ามโมงจะแปดโมงเก้าโมง เป็นผสมโอเนียนเดียวไม่ถึงสองชั่วโมงกินดีแล้วมันเจอไปถามผู้ที่เจ้าทําอย่างนี้ไหมถามพระคุบาอาจารย์ทําอย่างนี้ไหมเขาต้องมาทบทวนคุณทางแสดง พ, พดงระสัมมิกรูปที่เจ้าจัดยังไงผู้เจ้าว่าอย่างไงหนังสือตําราว่าวอย่างไรเราไม่อ่านตําลา เราไม่อ่านหนังสือเราไม่ฟังพุทธเจ้าเขาศึกษาวินัยเลยเพราะเอาจชิงวินัยของพระก็ยังรู้แล้ววันนั้นเขาไปหาเขาจะไปคุยือุตมะเขาเพิ่นอยู่องค์เดียวไม่มีใครอยู่ด้วยเขาเขาเขาไม่ได้เขารู้ว่าอยู่สอนเราสอนไม่ได้ใช่ไหมแต่พวกเราอต่างหากทําจริงๆแล้ว พเราไม่เอาใจใส่ของคุณแนะม้แย่ไม่รักษาครบาอาจารย์รักษาวีไนพระจะดีอยู่ที่วินะีไนไม่ได้ยู่ที่ธรรมนะเพราะวินมันเป็นคำสั่งที่พระเจ้าสังเอาไวไ้ต้องปฏิบัติตามนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยครับเราเห็นในะโอเบริโกนะแค่เรื่องกินอย่างเดียวเนะียอาหารเรื่องกินเราสามารถที่จะเอามาพิจารณาในชีวิตจำบันได้เยอะ เป็นประโยชน์จริงๆ้วยดีกกัมานังฟังธรรมะทั้งวันทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรคิดอะไรไม่ได้ทุกอย่างลำมาอันนี้แค่เรื่องอาหารนะแล้วที่สาคัญคือนะเราคิดต่ออีกนิดหนึ่งว่าอาหารที่เรากินเข้าไปถ้าเราไม่พิจารณาอยู่นิโสมนสิกาถานมันก็เป็นโรคไัยไข้เจ็บที่เรามีอยู่นี่แหละ สรารพัดโลกเกิดจะกินเกิดจะอาหารนี่แบบตัว <c oughs> กินน้อยถ้าที่อยู่ได้ถ้าที่ร่างกายมันใช้ได้มันอยู่ได้ผู้อาจารน์ไม่ตาย ง, งา่ายแปดสิบเก้าสิบปีแต่เราอมก็ฉันเมื่อเดียวนีฉันเยอะไอ้พวกเรากากพวกเราทุกคนฝึกมันฝึกได้กินมันฝึกได้ พะฉันเมื่อเดียวฉันนิดเดียวอยู่ได้ทั้งวันและทํางานหนักกว่พวกเราอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดพวกเขาหรือการกระทำอื่นหนักกว่พวกเราอีถ้าจะว่าไปแล้วก็ยืนอยู่ได้เรื่องโรคไปก็เจ็บไม่คิดว่าหนักกว่พวกเราอีกไม่ยอมไม่มีโรคเห็นว่าอย่างนี้คือแข็งแรงดูใช่ข้างในเอง ถ้าเราบองกินสภาพเป็นรวข้างจริงโอ้อยู่ได้ไงใ น, น, นเรื่องกิน ต, ต้องระวังเรื่องเดียวแต่ปัจจัยสีที่เราแสวงหาทั้งชีวิตเรื่องกินเอาไปเสื้อผ้าภาษาพราเขาเรียกว่าจีวรยิมเสื้อผ้าอาปอนองเราสะดวกสบายจะเจะคนหนึ่งู้ขี่ชุด โดยแค่สององค์เนรจีวันสบงไม่รู้กี่ชุดสิบปันเงือนอื่นเขาลําบากยังลำหนอกมันหายากหายน้อยเอี่ไงก็ต่างเสื้อผ้าจะเรามีอยู่เขาสอนพวกเราว่ายังไงก็ใส่ตีละชุดอยู่ที่มันพิสูจนี้เขาใส่เรก็มีไม่กี่ชุดก็เปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนบ้างไม่เหมือน้วกเราทั้งเสื้อทั้งกางเกงทั้งผ้าถุง สารพัดถ้าเราพิจารณาดีนะโอ้มันก็แค่เพื่อปกปิดร่างกายไม่ให้ความเป็นความอูจจารความไม่สวยงามความสุขโปรกอสุภะที่มีอยู่วัตถุประสงค์นี้แค่นั้นป้องกันร้อนเย็นเอ็นแข็งอันนี้ก็เสือ่อผ้าร่างมืออื่นคขาลำบากตรงนี้สองเรื่องแล้วที่เป็นปัจจัยสีเซ <c oughs> นาสนะ เห็นชัดมากที่สิงคโปร์ไม่มีปัอยาซื้อบ้านซื้อคอนโดประกอบตัวเองเพราะมันแพงแพงมากก็เช่าของรัฐบาลที่ทำไว้ให้ที่ตึกเป็นหลงัลงๆๆๆอยู่กันเป็นยี่สิบชั้นอยู่กันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกเชาาบาก็ไปทำงานเหมือนนอกกระจอากน็นกออกระจอากักลังก็เช้ามาก็จะแจ้งจะออกไปหากิน เย็นมาแล้บบิ่บินกับข้าหลังชีพประจำวันเองพวกเรามีบ้านเป็นหลังใหญ่ตโตลงโอทามมีวัดดูที่วัดเรา เ, เดินไปไหนก็ได้มองไปไหนก็ได้โล่งหมู่โล่ ง, ลงลต า, มมาเขาไม่มีเขาไม่ได้มีอย่างเราที่จะเป็นหาไรสิบไร่เป็นเจ้าของเจ้าของที่เป็นร้อยไรมันไม่มี เพราะนั้นเราอยู่ในประเทศที่สมควรมันสมบูรณ์มันพร้อมทุกอย่างมันทำมาเพราะอะไรเพราะมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยถ้าสมมติว่าตอนนี้เราไปเกิดแอฟริกาไปเกิดอะไรขึ้นปัจจัยสี่พอไหมข้าวเราพร้อมทุก อ, อ, อย่างเหลือแค่เดียวคิดไม่เป็นนะคิดไม่ได้ อันนี้คือเสนาสะนะมะการสุดท้ายก็คือกินเข้าไประย ะ, ะรักษาโรคบ้านบังเอินเขารัฐบาลเขาดูแลอะไลอยังดีเพราะเสียก็สีแพงบ้านเราก็สาสิบบาทรักษาทุกโรคเก่งจริงๆในบ้านเราจริบะวัาเก่งก็บบ้านเขาก็ สามสิบบาทรักษาทุกโรคแต่กก็ยังดีทินก็วาไปไงมันก็ไม่ทุกโรคหรอกโดดลอกไายเลยถึงเป็นยาทำอากาศที่เฉยแจ่มยาพารานก็ได้เนี่ยกำลังเล่าให้ฟังว่าปัจเจสีที่เรามีอยู่เพืเ่ออะไรเพื่อว่ามาดูแลตัวเองแต่และคนสุดท้ายก็มาจบที่เรา ทุกเรื่องที่พูดทั้งหมดเนะี่ยมาจบที่เราทีนี้เราเข้าใจตรงกันมั้ยยังทุกเรื่องที่ที่เราเล่ามาถ้าเราไม่จบที่เราแก้ไม่ได้ทักอย่างที่พูดพูดมาั้หเรื่องปัจจัยเสียงเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องอะไรถ้าทุกคนไม่แก้ไขตัวเองย่าก เพราะนันปฏิบาาัติธรรมคือการแก้ปัญหาตัวเองตั้งแต่หัวเจริญเท้าตั้งหัวคือวิธีคิดสำคัญเลยวิธีคิดยังไงถึงอยู่กับโลกวันนี้ได้ไปคิดไม่เป็นอยู่อยู่ดีไม่ว่าไปหาคิดเรื่องทุกข์้กับตัวเองเรื่องสุขมีคิดไม่คิดเราไปคิดแต่เรื่องทุกข์ แล้ตัวเองมันก็เลยเป็นอย่างนีง้อันนี้คืออาสองการปฏิบัติเพราะฉะนั้นไปมาในอาทิตย์ที่ผ่านมายังไงก็บ้านเราไม่ได้ที่แตคนอยากจะมาบ้านเรายัมาเพื่อศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติชีวิตมันคนลำบากมากอยู่ได้เฉพาะวันหยุดเท่านะั้นวันทำได้อย่างพวกเราทำไม่ได้ เนันพวเราถือว่าโชคดีมากมากไม่ใช่โชคดีธรรมดาแต่อย่าลืมว่าโชคดีแล้วเราก็ต้องเตรประมาณหนูเดี๋ยวก่อนรอก่อนวันนั้นวันนี้วันนู้นเองนั่นสิก็ขอให้เป็นตัวอย่างคือฟังแล้วเป็นตัวอย่างเป็นการศึกษาจะได้เอามาพัฒนาตัวเองจะได้เข้าใจในหลักธรรม คำตังสอนของพระองค์เะสิทาทุกคนรับผิดชอบตัวเองได้โลกนี้จะน่าอยู่อีกเยอะศาสนาของเราก็าน่าจะดีขึ้นเยอะตัวยัวงพูดถึงตัวเราเองก็จะเชื่อว่าเกิดมาแล้วไม่สูนเปล่าไม่เสียเปล่าเห็นผู้าาเห็นครูอาจารย์กษัตริย์ก็เห็นก็จะไม่ได้อะไรจากการเห็นคือไม่ได้ปัญญาเห็นแล้วมันไม่เกิดปัญญา มันก็จะเกิดสัญญาอยู่อย่างนี้ก็ฝากพวกเราทุกคนเพื่อเป็นแนวมิจฉพูดอะไรได้ไม่มากพอพูดมาปีสิบปีก็อยู่อย่างนี้เรื่องอยู่เรื่องกินกินเร่ก็บกินเก็บเรื่องกินก็วนเวียนอยูยอ่อย่างนี้นะครัคิดไม่ได้โดยตัวเองอย่างนี้ถ้าเขาโดยพูดถ้าพูดแรงไปแบบกระทำความติดค้ากั น, ม, น, กนมันก็เป็นโทษ แล้นเ ท, ทา้าตัผู้ถ้าเอาทส้ส ก, กันอะไรกันก็ะากพวกเราทุกค น, นวัยพิจารณาเรื่องของนี้มันฝึกกันได้แต่เราไม่เริ่มเลยไม่เริ่มไปฝึกเริ่มไปฝึกคิดฝึกพูดฝึกทำเราจะเรียว่าเชื่อผู้ปฏิบัติได้อย่างไรปฏิบัติตรงไห น, นคิดก็ยังคิดไม่ได้พูดก็ยังเหมือนเดิมเดิม การกระทำหรือพฤติกรรมก็เหมือนเดิมแล้วมันจะมีอะไรใหม่ๆในชีวิตไปวัดพระที่ไหนก็อยากได้นั่นอยากได้อยากให้เป็ น, นยยอย่างนั้นอยากให้ช่วยอะไรนี้่ตัวเราเองไม่เปลีป่ยนแปลงตัวเองเลยนะมันไม่ได้ชีวิตของของเราเนี่ยเรากำละังเป่ยนแปลงความตายทุกวันเนมื่อไหรไม่รู้ตอนนี้เรากำลังไม่ไปหาข้อหมายเป็นความตายเมื่อไหรไม่รู้ และความดีเรายังไม่มีพอสติสัพยยสพยยัญญาสติปัญญาเรามีพอคือทัพย์อริยทัพย์มันไม่มีพอเพราะแสดงหาในตามที่ถูกต้องก็จะเชื่อว่าเป็นาศาสนาที่ดีก็ในความโชคดีก็จะเหลือว่ า, าอย่าประมาทเพราะประมาท ก, กันเยอะในหลายบ้านอื่นเราสนใจสนใจมากๆแต่ เวลาไม่มีก็ต้องทำกาหางคินแดีวมานั่งบุคคลเราต้องมาหันไม่ได้พยาบาลก็ต้องลาต้องหยุดงานหยุดงานก็คือหยุดเงินเงินมันก็ไม่เดินบางก็ใช้ของเก่าใช้เงินเก่าก็หมดก็เพราไปทํางานเพื่อได้ไดมาทุกเงินวันเราได้สะดวกสบายทุกอย่างอันนี้คือความโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยทเจิดเป็นกุายจางเราได้ยินได้ฟังอยากฟังตอนไหนก็ได้ฟังอยากมาวัดตอนไหนก็ได้มา นี่ความโชคดีพวกเราอย่าประมาทในชีวิตในว้ทํำความดีทุกวันมากน้อยไม่เป็นไรก็คิดยิ่งเสมอวันนี้เราทำความดีหรือยังทำความดีอะไรบ้านแค่คิดเนี่ยก็เป็นความดีแล้วไม่ต้องลงโทนอะไรมากมายเป็นทรัพย์สินเป็งทองทอแค่พูดต่ อ, อ ก, กันดีๆเนี่ยไม่ต้องหยาบคายหยาบโลนเนี่ยก็ี่ก็ททำความดีแล้วทางศาสนาของเรา ส่วนเรื่องการการะทำหรือพูดงายในการปฏิบัตินะบางคนเวลาโอกาสมันไม่ตรงกันก็มนไม่เป็นไรแต่เขาคิดเนี่ยอยู่ตลอดเวลาคําพูดมีตลอดเวลาทําได้คิดเมื่อไหร่พูดเมื่อไหร่ควบคุมได้เมื่อไหร่ น, นั่นแหละคือสินเราปลว่าเรามีสิลคนมีศิลก็คือคนดีคือพื้นฐานทุกอย่างมันอยู่ที่สินแต่ถ้าไม่มีสินนี่ มีทางต่อให้พระอย่างนี้ต่อให้โบสถ์มาเป็นร้อยปีจะเป็นคนพระทุศินไม่สิลไม่ได้เรื่องเลยไม่เคยพิจารณาเรื่องสินของตัว เ, เองเลยก็ม่เชื่อเป็นคนดีก็ม่เชื่อเป็นพระที่ดีอันนี้คือสาระป่าของเราสำหรับเชาวอันนี้ก็เป็นแนวในการคิดในการปฏิบัติอะได้เรียนรู้ดูเห็นเข้าใจแล้วการนำเสูอการปฏิบัติ แล้วก็ทำอันนี้จะเป็นเค ร, รื่องปกปัการักษาตัวเอาคุ้มครองตัวเราเองจะมีกัละยาณมิตรการมีกัละยาณมิตรเป็นเรื่องที่ดีมีเยอ ะ, ยอะแต่กัลยาณมิตรคือมิต ด, ดีสุดมิตรชั่วมีน้อยลงมันก็จะปประโยชน์ต่อพวกเราฝากพวกเราสาหรับชาววันนี้มีวันที่กำลังจับสมบูรณ์ไว้